เพ่พากันตั้งใจให้ดีบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะทำความสงบใจแล้วไม่ควรส่งใจไปทางอื่นทำความรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันนี้อย่าไปรู้ไปทางอื่นรู้เฉพาะกายกับจิตเท่านี้ กายกับจิตอันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องวินิจฉัยมันมันมีอุปสรรคอะไรบ้างเพราะชีวิตนี่มันเต็มไปด้วย อ, อุปสรรคบุคคลผู้ไม่มีปัญญาแก้อุปสรรคไม่ได้ ก็เลยจนมุมเมื Seems, age, dumping, ่อจนมุมแล้วก็มีแต่ทุกข์แต่โศกแบกเอาแต่ความทุกข์ไว้ในใจเป็นคนเจ้าทุกข์อย่าทําตนเป็นคนเจ้าทุกข์ต้องทำใจให้ลาเลงบันเทิงอยู่ด้วยกุศลธรรม ไม่ใช่ละเริ่งอยู่ด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหาเราต้องชื่นชมยินดีในธรรมอันเป็นกุศลทมอันเป็นกุศลนั้นหมายถึงใจที่สงบนั้นแหละเราอยากเห็นธรรมเป็นกุศลก็ทาใจให้สงบลงไป เมื่อใจสงบลงไปแล้วก็รู้ได้ว่า น, นี้แหละคือธรรมที่เป็นกุศลถ้าใจไม่สงบลงไปแล้วไม่เห็นดอกดังนั้นให้พึ่งพาการทมใจลงไปทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจ มันสุดแล้วแต่ใจเป็นประมาณใจนี่น้บป้าเป็นแก่นแห่งชีวิตชีวิตนี่มีใจเป็นแก่นเราทำความดีอะไรก็เพื่อใจดวงเดียวนี่ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นลองคิดดูให้ดี เราได้อะไรไม่มีไม่มีใครได้อะไรดันั้นจึงไม่ควรห่วงมันร้ายโลกอันนี้นะจึงไม่ควรไปผูกพันมันเพราะเราไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยได้แต่ทุกข์ถ้าใจไม่รู้แจ้งเด้ใจก็แบกเอาทุกข์ไป นั่นเราต้องฝึกใจนี่ให้มันรู้แจ้งให้ได้เมื่อใจรู้แจ้งแล้วมันก็ไม่ถือมั่นในสิ่งใดใ ไ, ไม่มีอะไรที่ควรจะมาถือมัน่นที่มันไปถือมั่นอยู่ก็เพราะมันไม่รู้แจ้งนี่สำคัญ ดังนั้นจึงว่าเพ่งพิจารณาให้มันรู้แจ้งให้ได้พระพุทธเจ้าสอนให้เราเพ่งดวงนี้คือทุกข์ให้มันเห็นชัดลงไปอย่างนั้นนะนี่คือเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้ที่เข้ามาที่ไหนอนี่ก็หมายถึงที่กายที่ใจนี่แหละ ใจนี่แหละมันเป็นตัวเหตุใหญ่ถ้าใจไม่รู้แล้วมันก็ก่อเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้าใจรู้มันเก็ดทุกข์ <c oughs> ใจรู้รู้ว่ารูปนี้ไม่สวยไม่งามก็รู้ว่ามันไม่สวยไม่งามตามเป็นจริง รู้ว่ารูปนี้ไม่สะอาดก็เห็นแจ้งชัดว่าไม่สะอาดตามธรรมชาติของมันนี่ไม่ควรถือมั่นเพราะว่าขืนถือมันม่นเนื่องจากไม้เที่ยงก็รู้แจ้งชัดว่าไม่ควรถือมั่นจริงๆอความรู้อันนี้ก็าต้องบำบัดให้เกิดขึ้นในใจ ไม่ใช่อย่างอื่นดานปสิบัติทมพุทธศาสนานี่เพื่อเกิดความรู้จริงขึ้นใจนี้เองเดี๋ยวนี้มันยังไม่รู้แจ่มมันจึงหลงอยู่มันจึงรนไปตามสิ่งที่ไม่เที่ยงดีนไปตามสิ่งที่สวยไม่งาดเพราะมันสําคัญว่าสวยงามใจมันลำเอียง เอียงเข้ากับกีเลสพระเจ้าสอนให้พิจารณานามไม่เห็นว่าไม่สวยไม่งามันพิจารณาถ้าพิจารณาจะเบื่อนายหาไม่ยอมให้เบื่อนะจึงไม่ยอมพิจารณาที่มันตกใต้อำนาจของหารู้ตัวนี่ถ้าจิตนี้ตกอยู่ในอนนัมตนายืนเป็นหลัก มันยอมรับผู้ว่ารูปนี้ไม่สนไม่นําดีพอใจจริงๆเลยทิอืดไ้ถึงไม่อยากผู้ความจิตกิเลสมันหลอกหลงนะอยู่ในโลกอนิจชาตไม่ทนแล้วเมื่อกี้เลยออกล้อให้อยู่ในทุกข์ดไม่ทนเลยไม่เบื่อแันวหรือนั้นแหละวิชาของบุคคลผู้หลงพูแล้ว ก็ไม่เชื่อชัดถองรื่องได้แต่ชตัดคนหลังมานเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรนึกไม่ได้เลยไม่เบื่อไม่นับอันเพราะพุทธพระองค์รู้ญานที่นี่พระองค์รู้เป็นมาแห่งชีวิตของพระองค์เมื่อรูปแล้วว่ามีทุกข์สุขก็ไปชั่วเขา แต่ทุกเป็นเจ้าเรือนอยู่ในที่ดังนั้นพระองค์ท่านายจึงไม่ชื่นชมยินกับชีวิตนี้แล้ก็ยังปูแจ้งในของบุคคลืนและสัตว์อื่นเข้าไปอีกก็ยิ่งเบื่อน่ะยิ่งเป็นเหตุให้ความหนาดยินดีไปเพราะกายอันเป็นที่แห่งความกาลังยินดีวันแต่มันแตกมันดันทำลาย รูปได้เกิดขึ้นแล้วก็สั่งไว้ได้ชั่วแะยะหนึ่งครั้นแล้วแตกดับทำลายลงจิตไม่รู้เนี่ยแต่หวงเวลามันจะแตกแก่ปักเป็นทุกข์เดือดรอดอะไรอะไรของเที่ยงมนยิ่งเป็นทุกข์เมื่อมันเวลาจนจะตากหายไปมันก็เาทุกข์ไปด้วย <c oughs> มันไม่ได้อาสุกแล้ว เวลาจะตายห่วงมันอะไรรูปรอนี้บัางกายอื่นบ้างที่มีวิญญาณก็มีไม่วิวินครองก็มีมันก็หัวอะไรเนื่อความไม่รู้เจ็ดตามเป็นจริงนี้นะเอ็ดที่ไม่รู้เจ็ก็เพราะเมื่อทำใจให้งงบเรินปัญญาให้เกินจึงไม่รู้แจ้งท่านรู้รเจท่านมีความเพียร สำรวมในหินทำศีลบริสุทธิ์แล้วก็มาทำจิตบริสุทธิ์ให้สงบสะอาดจากนี้พระทั้งห้ามีฉันวอมรักขมพอใจกามพิเลสะกามกขามทั้งหลายมพยาบาทจองลีนบุคคลและสัตว์ตื้นความเหงาหาวนง่ความฟุ้งซ่านเลื่อนลอยใจ ความสงสัยลังเลในเรื่องบาปปุลคุณโลกนี้โลกนัสวรวค์ผ่านอะไรโมเนี่สงสัยไม่มีจริงหรือไม่จริงกี่เลยนี่แหละมันมารบจิใจสงบลง ไ, ได้มันรกกวนจิตใจขี้เกียจขี้ให้อ่อนแอไม่อยากคิดอะไร เมื่อมันง่วงเมดมาแล้วมันมั น, มนความแก่มีแต่จะหลับตาเดียวออันนี้มันก็เพื่องจิดกั้นยาไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้รู้วันนี้คือทุกมันไม่ได้พเพราะมิตรปล่อยให้ความง่วงเข้าอยู่อย่างนั้นังนั้นทุกคนจิตจังส่วนให้ตื่นอย่าให้มันหลับไปตามอำนาจของ กิเลสตัณหากิเลสตัณหาเนี่ยทําให้ง่วงนะคนเราฤทธิเดของกิเลสมันได้หลายอย่างมันทําให้เพลินก็มีทาให้ง่วงซึมเสื่อไปไม่ขี้เกียจนึกอะไรอะไรไปพี่เนี่ยฤทธิเดชกิเลสมันเป็นอย่างนั้นแหละมันทําให้งุดงี้ได้ก็มี มันทำให้พุ่งซาาเดินลอยไปไม่หยุดยั้งจให้รู้จักษณนของกิเลสอย่าอย่าให้กิเลสหลอกกลวงกิตใจให้ไมยต้องตื่นกันเรามันถูกกินหลอกให้หลงให้ง่วงอยู่ในวัฏสงสารนี่มานานแล้วบาปชาติมันหลอกให้นรกไปเป็นเปรตไปเป็นอากาศไปเป็นสัตว์สิ่งดิรัน ได้รับทุกข์ทรมานี้มันเกาะนับชาติทวนแล้วแหละแต่อึดไม่ได้ใี่อกอควรตื่นกันได้แล้วเพราะสงสัยนี่มันไม่มีสิ้นสุดมันเป็นวงกลมมันหมุนไปไปหุนไปรอบตั้งสมัยหมุนไปอีกหมุนไปรอบแล้วต้นใหม่จิต รู้แจ้งทำของจริงก็เลยหมุนไปกระแสของโลกอยู่อย่างนี้หมูเกิดขึ้นรูปนามแล้วหมุนแกหมุนทมเจ็บไข้ไข้ก็หมุนไปหาอมตายไายแล้วอะไรมันตายธาตุีถ้ามันแตกดับแต่จิตมันไม่ยอมดับไปตามธาตุสีขันห้าหรอก เมื่อมันละสภาะวะธาตุส่วนนี้แล้วมันก็ไปเล่ล่อนไปหากเกาะไปหาอาศัยธาตุอื่นต่อไปอีกทั้งนี้ก็ เ, เห็นว่ามันไม่เบื่อไม่หน่ายมันละมันปรงมันวางไม่ได้ซักทีธาตุดายเกิดมาข้อนี้ก็มาผูกพันอยู่กับสภาะวะธาตุเหล่านี้เนี่ยหยียดยวงเนี่ย มันไม่คิดว่าจะพปร่งจะวางเลยมันมีแต่สำคัญว่าของเราผมก็ของเราแหมสวยจังดัดตกแต่งแล้วนะไปส่องกระจกดูแล้วรู้สึกว่ามันสวยจังนะยิ้มในใจนู่นเล็บก็าทาเล็บซะแดงมองดูแลแ้วแหมสวยจังนะ <c oughs> ฟันก็ดีก็ตกแต่งเข้าไปซะบางทีก็เลี่ยมฟันด้วยทองคำแต่ว่าสมัยนี้ดูจะไม่ค่อยมีคนแต่ก่อนนี่ชอบเลี่ยมฟันด้วยทองคำยิ้มออกมาในเหลืองอร่ามแม้สวยจังนะจะที่แท้แล้ว อาหารเข้าไปยัดอยู่ในนั้นเหม็นคุ่งไม่เบื่อไม่น่ายเลยยังไปสำคัญอนะมันสวยมันงามอยู่ <c oughs> มันถึงไปได้พิจณ<ม>า <c oughs> ให้รู้แจ้งเพื่อท่มันถึงได้หลงติดหลงคล้องอยู่ในรูปกายอันนี้ เอาเนาฬิกาข้อมาใส่เข้าไปแล้วก็แม้ยิ้มสวยจังเอาแหวนมาสวมก้อยเข้าไปเอาตุ้มหูมาใส่เข้าไปเอาสร้อยคอมาสวมลงเอาโบมาผูกเข้าไปแล้วสองก็มองดูยีแ่แปรนเลยแม่จังและยังจะไม่ให นี่มันติดมันอยู่ไอ้ของไม่เที่ยงนี่อย่างไรแล้วมันไปสิทธิ์ตาลูกทั้งมวลนี่สุนย่างอื่นหลงเข้าไปผิดจริงไงกหนัดยินดีอยู่ในรูปยอมคลายอืคลายเสียเถิดผู้เป็นบริษัทของพวกนี้นะอย่าไปยินดีมันให้มากเลยพยายามป้องกันยินดีออกไป จิตจะได้มีสละสีมันจะไม่ได้เป็นธาตุแห่งตัณหาตัณหาที่ไม่ได้ดึงเข้าไปหาหลักแห่งความอันนี้นี่คือตัณหาเนี่ยได้เกิดทุกข์มาสู่จิตนี่แหละตรงนี้แหละตัณหาขึ้นจริงแล้วตัณหามอยู่แต่เดอกจิตนี่สร้างขึ้นตัเมื่อจิตไม่เจ้ามันไม่มีหากก็ไม่มี เราบาสอนกัะคายคามยปลายคายถ้าขายทีเดียวไม่ได้คขายทีละเล็กทีละนอ้อยตัดทอนเขาเป็นผู้เหมยลงไปอย่างผู้รองเรือนเนี่าอนุ่งผ้าหเคยมีชุดอย่างนี้ก็ตายมันเหลือห้าชุดนี่แหละเห็นหน้าชุดมันก็ฟุ่มไปเกินไปแต่มันเหลือสค่สามชุดนี่จะพอดีออเนี่ย ก็จะไม่ได้อางินหาทองมาือมาจนว่ากเฟือ่อการหาเงินหาเสษตากเลำบาก<ม>สายสร้อยหูแหวนเพช่ออะไรเป็นสิง่งไม่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมผู้รู้กิงของสิทธานทั้งหลายเหล่านี้ท่าน ม, มาสวมแหวนทีนน่สายสร้อยหูอะไรนะ เป็นไพ่คนขโมยเขาเลวมันจ้นเอาไปขายซื้อสุรากินนี่ใช่ว่ามันเป็นคุณเครื่องประดังวะเนี่ยที่นายมันมีโทษไหมใครแล้วกลักได้ผู้ที่ใจดำอมมือหิตแล้วมันเอาเลยถ้าไม่ฆ่าแล้วมันมีสิ่งต้องตำรวจขายแล้วเอาเครื่องประดับนั้มันง่ายดี อันมูนีนอนกันนะี่ยพระเจ้าชี้หนทาง่างความสุขความให้แล้วแต่มนุษย์มันไม่เชื่อคำสอนพทธเจ้ามันไปนหานู่นมาเชื่อคาสอนถึงได้ประสบความปกุกอยู่ในโลกของสารมันทำที่ไม่เป็นมงค์วเองเช่นชอบส่องเสพข้าให้หดต่างๆ เด็ดกลมเงมออกได้เมื่อออกไม่ได้เท่าไรความทุกข์มันยิ่งเลมีเงินจะซื้อของมาบริโภคทางไหนออกไม่ได้แล้วข่าตัวตายที่ตากฏเอาคึกโคร อ, อยู่หมู่นั้นเนี่ยมเอาเป็นเครื่องกันใจจนเสมออถึงได้มันเปนของเสพในโทษเรานะ เรื่องมนูนีไม่ใช่ของลึกอะไรเพราะจะมองมองเห็นได้อยู่แต่มันไม่มองเหมือนเรานะ่ะนั่นแหละแค่แต่ยอมท่าแ่างตันหักทำนี้จึงไปชอบยอมเป็นท่าตันหานะหาหนอควรที่จันตนเองบ่ยเดียวเละถ้ารักตัวไอีแท้นะ่ะคนที่รู้อำนาจตันหานะั่นนะ ไม่ใช่รักเองนะรักหามากกว่าตัวเองที่ไม่มีอำนาจแห่งคืออยากในหัวใจและท่านเรียกว่ารักจุปราอยากจะให้พ้นทุกข์คดความเป็นทาตแห่งตันอันนี้จริงๆจึงจิตใจในห ง, งบกรู้จักห้ามจิตมาให้คิดไปภายนอกนังง่งแห่งภายใน ยากมากอย่างไรก้ดีกว่าเป็นตันหาปันธาท่าเ่นหามันทุกไปนานแสนเราเป็นธาต์ก็เป็นธาต์แห่งพระธรรมนี่เราทุกเพ่งใจไม่ให้มันไหลไปตามตนันมันจะทุกมันก็ทุกตั้งระยะเรายัางเอาชนะไม่ได้เท่านั้นเองเมื่อเอาชนะตันหาได้แล้วก็เป็นสุขสบายดีวันนี้ เป็นสุขอย่างมีอิสระเสรีสุขไม่เชื่ออยู่ด้วยกิเลสเป็นสุขอันบริสุทธิ์สดใสจริงๆทำไมคนเราจึงไม่ต้องการความสุขอย่างเนี้ยไปต้องการแต่ความสุขอันอิงอาศัยอยู่กับกิเลสตัณหานั่นแล้วมันจะสุขไปได้แค่ไหนมันเป็นเหยื่อล้อไม่ใช่สุขจริง เป็นเหยือ่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ยกตัวอย่างนะเช่นคนมีลูกมีเมียมีผัวก็เพราะตัณหาความอยากนั่นแหละเป็นมูลเหตุความอยากนี่มันก็เมื่ออยากม า, มากเข้าก็กลายเป็นความรักความรักมากๆเข้ากลายเป็นความกำหนัดยินดี ถึงขั้นนั้นแล้วก็ยอมแต่งงานกันเมื่อแต่งงานกันมาแล้วเอาแล้ววานี้ความรักนันทีแรกมันก็หวานฉ่ำ อ, อยู่ไปอยู่มาเนี่ยมันก็เกิดมีลูกมีเต้าขึ้นมาหลายคู่หลายคนขึ้นมาแล้วเงินทองก็หาไม่พอใช้ อะไรอะไรก็ขาดตกบกพร่องเข้าไปตนก็ไม่มีปัญญาที่จะหาเงินทองอะไรมากมายมาเลี้ยงครอบครัวมีแต่ข า, ขาดขาดเขินเขินอยู่อย่างนั้นกลุ่มใจหลาแบบนี้นะไอความรักอันนั้นเลยกลายเป็นความขมคืนในภายหลัง แต่บางคนก็อดกัน้นทนทานเอาไว้ไม่แสดงออกม า, ามันขายขี้หน้าทำหน้ายิ้มแห้งๆกับคนอื่นเรื่อยไปแต่ภายในนะซ่อนความขมขื่นไว้อย่างมหาอุดทีเดียวเลยนี่แหละบุคคลใดผู้ตกเป็นทาสแห่งกิเลสตัณหาแล้ว มันเป็นอย่างนี้ขึ้นต้นนั่นลื่นเลงบันเทิงริงแต่ลงไปท่ามกลางหรือตอนปลายแล้วมีแต่เรื่องขมขื่นมีแต่เรื่องระพมใจนี่เรียกว่าตัณหามันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์าพากัรพิจารณาให้มันเห็น <c oughs> สำหรับผู้มีบุญวาสนาบารบมีแก่กล้าเขาอย่งชั่วหน่อยเกิดมาในโลกนี้นะได้ทำบุญกุศลด้วยเทชาติก่อนมากมายต่อเกิดขึ้นมาเขาก็เกิดอยู่ในบนกองเงินกองทองก็ไม่ยากไม่ลำบากเท่าไรนักก็พอมีความสุขพอมีความเบิกบานใจได้อยู่ว่าง แต่ก็อย่างว่านั่นแหละสิ่งใดที่ให้คุณมากสิ่งนั้นก็ให้โทษมากพอๆกันมีเงินมีทองมากก็มีคนอยากไปพึ่งพาอาศัยมาก ม, มีคนอยากจะไปข อ, อไปกู้ไปยืมอา้ากู้ยืมไม่ได้วางแผนจี้ปร้นเอา ตรงนั่นแหละวันนี้มันจะได้รับความทุกโศกรำใจอย่างมหันเลยทีเดียวไอ้ตอนที่ยังไม่ประสบอุปติภัยอย่างนั้นนี่มันก็ทำให้ล่าเริงมันเทิงแหละมีเงินมากๆากสนุกใช่สนุกใจอยากได้อะไรก็ได้ตามประสงค์อุปสรรคเช่นนั้นเกิดขึ้นมาแล้ว มีแต่ความขมขื่นดีไม่ดีถูกฆ่าตายจากกองสมบัติจากเงินพันล้านหมื่นล้านมีอยู่เยอะแยะในโลกนี้นะอันนี้นะควรพากันเจริญปัญญาพิจารณาซ้อนใจตัวเองเข้าไป อย่าให้มันติดอย่าให้มันติดความสุขในโลกโลกีอันนี้เพราะถ้าไปติดอยู่ในความสุขชั่วคราวนี่นี่แล้วมันก็เป็นเหยื่อล่อให้ไปติดอยู่ในทุกข์ในภายหลังแน่นอนทีเดียวอันเนี้ยกำปั้นทุกดินก็ไม่ผิด <c oughs> เอา้าวใครไม่ถูกจี้ถูกปล้นเอายกให้แต่มันก็ถูกพย า, ยามวจชราชมันจี้มันปล้นเอาวั น, นี่ถ้ามนุษย์ไม่ปล้นความแก่ความเจ็บป่วยไข้ความตายมันปล้นเอาชีวิตคืออัตภาพร่างกายอันนี้ไป เงินทองเข้าของเรานั้นก็ตกเป็นของผู้อื่นไปนรูปร่างกายอันนี้กั น, นอนทอดอยู่บนพื้นดิยนยังเหลือแต่กระดูกนั่นแหละไอ้พวกฝังนานไปมันก็เนื้อหนังบางสาอะไรเปื่อยผุพังไปหมดเหลือแต่กระดูกเหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้เลยกระดูกไมเอาทําอะไรได้นะ ลูกหลานผู้เขาก็รบนั้ถือเขาก็ก่อเจดีบรรจุไว้หรืยไม่ใช่ก็เอาไปเข้าช่องที่ฐานของโบสถ์วัดใดวัดหนึ่งครบรอบปีโ น, นเขาจึงมาทำบุญหาเขาจะมาชักบังะกุลหาครั้งหนึ่งบางบางคนมาเกาะเมื่อไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีปัจจัยอะไร มัวแต่หาเงินน่าท้องลืมทั้งไม่ได้มาบังคับคุณหาหรอกอันมูนี่นะ่มันควรคิดควรพิจารณามันเป็นความจริงแท้แท้นี่อันนี้แหละที่ว่าเจริญพิปัฒนานะให้พากันเข้าใจเรียกว่าใช้ปัญญาพิจารณาอย่างพิสดารกว้งขวางแล้วต้องพิจารณา ไปทุกแง่ทุกมุมอย่าอย่าให้จิตมันไปเที่ยวสงสัยว่าเมื่อได้อย่างนั้นมาแล้วจะมีความสุขได้อันนี้มาแล้วจะมีความสุขอย่างนี้นะอย่าให้มันสงสัยมันไม่มีความสุขหรอกผลสุดท้ายน่ะมันมีแต่ความขมขื่นนั่นแหละ <c oughs> สุขก็สุขชั่วคราวไม่ใช่สุขยั่งยืนอะไร ถ้าเืินติดอยู่ในความสุขเหล่านั้นคนสุดท้ายก็ได้รับความขมคืนอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละคนโบราณนะได้ยินเล่ากันมาดอกเงินแต่ก่อนเป็นเงินแท้ๆเนี่ยเป็นโลหะธาตุธาตุาเงินจริงๆเงินบาท เราใส่ไท่ไว้คนโบราณ น, นะพอเ ว, าวลาเจ็บหนักลงจวนจะตายก็ไม่ตายง่ายแล้วกระรับกระใสไปมาอยู่นั้นแหละลูกหลานพ่จนาเห็นอย่างนั้นก็สงสารคิดได้เย หรือว่าเพื่อนห่วงเงินนี่หรือไงวะเอาถุงเงินนั้นไปวางบนหน้าอกกันแล้วก็ม้อยไปเลยบบบนี้นะอันนี้มันเป็นถึงขนาดนั้นแหละถึงเวลาจวนจะตายเธอก็จิตใจก็ไปจดจ่ออยู่ในเงินอยู่ในทองมัน เลยไม่ตายง่ายเลยทนทุกทรมานอยู่งั้นเลย <c oughs> แล้วลองวาดโมโนภาพดูถ้าจิตใจเป็นอย่างนั้นน่ะตายลงแล้วมันจะไปไหนแบบ น, นี้นะนั่นนี่ไปไหนไม่ได้เลยเพราะมันห่วงก็เป็นสัมภเวสีวกไปเวียนมาอยู่งั้นนี่อันนี้แหะที่ท่านกล่าวว่าตายแล้วไปเป็นเปรต <c oughs> มันก็เป็นแน่นอนเลยอ่ะเพราะว่าใจมันห่วง <c oughs> กลงเงินข้ามวะนี่ผู้ใดฝึกใจของตนแต่เวลายังมีชีวิตอยู่ทำใจให้เป็นสมาธิให้มันสงบละสัญญาอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตเสียได้ ไม่มันไปหมายอะไรต่ออะไรอยู่ในโลกอันนี้ให้มันมากําหนดรู้อยู่ที่รู้นี่อย่างเดียวจิตมีหนึ่งไม่มีสองไม่มีสามนี่ก็ต้องทาให้มันเป็นหนึ่งลงไปให้มันรู้อยู่ที่รู้นี่อย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีสองไม่มีสองหมเพราะว่าไม่มีคิดนั่นเองแหละไม่คิดถึงสิ่งใดๆมีแต่กำหนดรู้อยู่ที่รู้อย่างเดียว ยึดรู้ไม่ถืออะไรๆรทั้งหมดนี่ทุกคนต้องฝึกจิตตัวเองให้เป็นอย่างนี้มันจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้เพราะเพราะการฝึกนี่แหละถ้าไม่ฝึกแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรอ่ะ เพิกน้อมใจไปเพื่อไม่ยึดเพื่อไม่ถือเนีนะนั่นแหละไม่น้อมใจไปเพื่อยึดเพื่อถือนี่ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นจิต ด, ดวงเดียวเท่านี้นะโน้มไปทางไหนแล้วมันก็แล้วทางทางอื่นแล้วไปหมดอ่ มันไปนอย่างนั้นน้อมถ้ามันน้อมไปเพื่อความรักเอาความชังมันก็หายมันก็ไปติดอยู่ในความรักเมื่อมันน้อมไปเพื่อความชางังความรักมันก็หายมันก็ไปติดอยู่ในความชังนั้นน้อม ไ, ไปเพื่อความหลงความเมาความเพลินความสงบมันก็หาย ก็มีแต่ความพเพลิดเพลินนี่แต่ความมัวเมาน้อมไปเพื่อความไม่รู้จริงความรู้จริงมันก็หายความไม่รู้จริงก็เกิดขึ้นมาแทนออย่างนี้แหละถ้าน้อมไปเพื่อความรู้จริงความรู้ไม่จริงมันก็หายไปดับไป ความรู้จริงมันก็เกิดขึ้นมาแทนความรู้จริงรู้ว่านี่คือทุกข์คืออะไรคือใจเข้าไปยึดขันหน้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่แหละคือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์ ที่เข้าไปสู่ตันหาความอยากของดวงจิตจิตอยากให้ร่างกายนี้สวยงามอยากให้ร่างกายนี้อยู่ยั่งยืนนานไม่อยากให้มันแตกมันดับดินดนรนแสวงหาปัจจัยอะไรต่ออะไรมาบำรุงมันปรนปรือมันบำรุงเท่าไรปรนปรือเท่าไรมันก็ไม่ยั่งยืนให้ คราวนี้มันก็ผิดหวังละเพรามันผิดหวังเนี่ยก็มีแต่ทุกข์ระทมใจนั่นเนี่ยตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุได้เกิดทุกข์มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะ่ะนี่คือความดับทุกข์ดับความอยากความปรารถนาในหัวใจนี่เสียแล้วก็ทุกข์ใจมันก็ไม่มีเลยว่นนี้ไม่อยากให้ มันเป็นอย่างโน้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้อันร่างกายอันนี้นะมันจะเป็นไปยังไงก็กาหนดรู้ตามสภาพความจริงมันไปอย่างนั้นเอามันแปรลีพนไปเราก็ดูมันดูมันไปมันจะแตกจะดับก็ดูมันไปดูว่ามันไม่ใช่เราแตกเราดับ ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันกำลังจะแตกจะดับกำหนดรู้เห็นอยู่อย่างนี้เ <c oughs> มื่อเป็นเช่นนี้ใจมันก็ไม่เป็นทุกข์ละเพราะมันปัดความถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนออกไปแล้วมันไม่หวงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันนี้แล้วมันจะเป็นทุกข์มาแต่ไหนบ้านี้ เมื่อมันมันไม่หวงดินน้ำไฟลมอันเป็นภายในคือร่างกายอันนี้แล้วมันก็ไม่หวงร่างกายอื่นรูปอื่นเช่นเดียวกันเพราะมันมีสภาพเหมือนกัน <c oughs> แล้วมันก็รู้ได้ว่าอ๋อนี่คือความดับทุกข์ดับตัญหาความอยากอันนี้ลงไป ให้มันเบาบางให้มันหมดไปสิ้นไปเช่นนี้แล้วเมื่อเห็นความอยากในใจมันดับลงทุกทางใจดับก็รู้ชัดตอนนี้คือที่ดับทุกดับตรงนีด้ดับตรงที่จิตนี้นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกก็ ตนก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์เรื่อยมาแล้วก็บำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้น <c oughs> แล้วก็จนตลอดถึงมาเจริญปัญญาให้บังเกิดขึ้นมาเห็นแจ้งในานามรูปตามเป็นจริงมาเห็นแจ้งตัญหาอันเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์ แล้วตัณหาตนก้นละมันแล้วไม่ได้สร้างไม่ได้ยึดถือเอาไว้เลยนี่ถึงเรียกว่ารู้แจ้งในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์รู้แจ้งว่าสินสมาธิปัญญานี่สามารถดับตัณหาได้จริงๆสามารถทำลายเหตุให้เกิดทุกข์ได้จริงๆ ไม่สงสัยแล้วนอกจากศีนสมาธิปัญญาเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมาทำลายเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหานีได้ไม่มีเห็แนแจ้งประจักษ์ในใจอย่างนี้อันนี้แหละให้พากันพินิษพิจารณาดูให้ดี ข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยก็พระศาสดาทรงแสดงให้เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกภูมิอา้าวอยู่ในเพศครวะพระ อ, องค์ก็สอนให้บำเพ็ญทานาแล้วก็รักษาศีลห้าศีลอุโบสถ ฟังธรรมเจริญภาวนา <c oughs> ทั้งบทนี้ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นถ้าบุคคลใดลงมือประพฤติปฏิบัติตามไปโดยความไม่ประมาทแล้ว <c oughs> ก็ทำให้บุญกุศลเจริญขึ้นในจิตใจของผู้นั้นจริงๆ <c oughs> เป็นนักบวช ก็ทรงแนะนำให้เจริญสินสมาธิปัญญาหรือมักมีองค์แปดประการให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในจิตใจเพราะนักบวชนั้นไม่มีหน้าที่ที่จะไปหาเงินหาทองมาทำบุญให้ทานได้อย่างครือหัดดังนั้นจึงได้ทรงสอนให้รักษาสิน รักษากายวาชานี้ไปเลยอยา่าไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น <c oughs> แล้วก็รักษาจาัญญาเมรยาัดให้ดีพระวินัยทุกมาตรการนั้นล้วนแต่เป็นข้อห้ามความประพฤติหยาบคายทั้งนั้นเลยให้เป็นผู้มีความประพฤติละมุนละมนิ่มนวลต่อกันและกัน ในระหว่างน่าปวดเหมือนกันนะ <c oughs> เราพี่สูจรดูให้ดีพระวินัยทุกสิขาบทนั่นแหละนนทรงบัญญัติามนั้นล้วนแต่ห้ามไม่ให้ทำความชั่วทางนั้นเลทันถา้าร่วงสิขาบดใดที่ขาบทหนึ่งไปก็หมายความว่าทำความชั่วนั่นเองเนีน่เราจะไปถึะ คัดค า, านพุทธบัญญัตินั้นเราไม่ชั่วอย่างนี้ไม่ได้เลย <c oughs> มันล้วนได้เป็นความชั่วเพราะพระศาสดาจึงได้ทรงบัญญัติถาม <c oughs> นี่เราต้องพิจารณาให้ดีนั่นแหละบวชเข้ามาแล้วนะท่านจึง แนะนำให้ศึกษาเราเรียนให้ท่องบนจดจําเอาพระวินัยอในนิบาบาวนั้นพระวินัยขึ้นต้นเลยทีเดียวเพราะมันเกี่ยวกับความประพฤติทางกายทางวาจาเมื่อเรียนท่องจําพระวินัยได้แล้วก็มาเรียนท่องจําธรรมะหมวดธรรมวิภาคในตอนต่อมาจากวินัย เช่นนี้แล้วเมื่อเรียนได้สิกขาบทไหนก็เอามาวินิจฉัยให้รู้ความหมายว่าถ้าล่วงจะเป็นความชั่วอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าสำรวมตามจะเป็นความดีอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็พอใจสำรวมแล้ววันนี้นะไม่ล่วงแล้วธรรมะก็เหมือนกัน เมื่อปฏิบัติตามธรรมะข้อนั้นกิเลสชนิดนั้นมันจะเบาบางไปเมื่อทำใจตามธรรมะข้อนั้นใจจะสงบเมื่อทำใจไปตามธรรมะข้อนั้นจะเป็นผู้เจริญด้วยปัญญา <c oughs> อย่างนี้นะ <c oughs> นั่นแหละ เมื่อเราเรียนจำได้มาแล้วมาวินิชัยดูเรามันจะเห็นรูเห็นทางไปเลยเหมือนกับแผนที่ของโลกนั่นเองหรือเหมือนกับแผนที่ของประเทศหนึ่ ง, น, งนั่นนักทำแผนที่เขาก็ทำเครื่องหมายไว้ทางจากเมืองนี้ไปสู่เมืองนั้นไปตรงนั้นตรงนั้นมีนั้นเป็นเครื่องหมายตามลายทาง เ <c oughs> มื่อบุคคลใดเรียนรู้แผนที่ของประเทศละเอียดถี่ถ้วนแล้วการเดินทางไปรู้บ้านน้อยเมืองใหญ่มันก็ไม่หลงทางไปได้ถูกต้องเลยอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเนมื่อเรียนรู้ทารู้ในแล้ว คนนำกายวาชานี้ไปโดยทางที่ถูกต้องไม่ดำเนินไปสู่ทางผิดทางเป็นบาปอกุอศลมีแต่ดำเนินทางกายวาชานี้ไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลตลอดถึงมัตถึงผลธรรมวิเสิก็มีทางที่จะบรรลุได้ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้ว ก็เพิ่งพากันตั้งอยู่ในอัิมาธาธรรมคือความไม่ประมาทจะเป็นคฤหัสหรือนักบวชก็เดินทางเส้นเดียวกันนี่แหละความจริงนะไม่ใช่ว่าไปทางหลายเส้นอะไรตั้งแต่ว่าคฤหัสนนั้นเพิ่มทานการบริจาควัตถุสิ่งของเข้ามาเท่านั้นดอกส่วนนักบวชนี่ มันไม่มีไม่มีอะไรจะให้ทานองค์เจ้าจึงเน้นำให้เจริญศีลสมาธิปัญญาไปเท่านั้นเองอดังแสดงมา